สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบาลนะครับในช้าวันนี้เราอยู่ในสุภาษิตบทที่30ข้อที่24จนถึงข้อที่28สุภาษิตบทที่30ข้อ24จนถึงข้อ28โปรดฟังพระว จ, จนะของพระเจ้ามี4สิ่งในแผ่นดินโลกที่เล็กเหลือเกินแต่มีปัญญามากเหลือล้นมดเป็นประชากรที่ไม่แข็งแรง แต่มันยังเตรียมอาหารของมันไว้ในฤดูแล้งตัวกระจงผาเป็นประชากรที่ไม่มีกำลังแต่มันยังสร้างบ้านของมันในซอกหินตั ก, กแตนไม่มีราชาแต่มันยังเดินขบวนเป็นแถวตุ๊กแกนั้นเจ้าเอามือจับได้แต่มันยังอยู่ในพระราชวังพี่น้องครับในพระจนะของพระเจ้าหข้อนี้ได้แสดงถึง พระสติปัญญาของพระเจ้าที่ทรงสร้างสรรพสิ่งเหล่านี้และสรรพสิ่งเหล่านี้นั้นก็กลายเป็นตัวอย่างของมนุษย์ที่สอนบทเรียนให้ชีวิตของพวกเรานั้นได้มีโอกาสเรียนแบบพี่น้องครับในสาระสําคัญในวันนี้คือสิ่งที่เล็กๆแต่ทําการใหญ่หรือมีปัญญามากลน้นในการทําการใหญ่นั้นเขาจะต้องอาศัย พรพปัญญาของพระเจ้าที่ที่ประทานให้กับเราขณะที่เรากำลังจะทำการใหญ่เราเองนั้นจะต้องเรียนแบบคุณลักษณะที่สำคัญสี่ประการจากมดจากกระจงผาจากตะกะแน่นและจากตุกแกคุณสมบัติสประการนั้นได้อยู่บนพื้นฐานของการที่จะต้องมีสติปัญญาโดยการรับสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าและ ต้องมีความถ่อมใจในขณะที่เราเองนั้นเป็นตัวเล็กๆ เ, เราจะเห็นว่าทั้งมดทั้งกระจงผาทั้งตะกระแตนและตุ๊กแกนั้นเป็นตัวเล็กๆแต่เขาสามารถทำการใหญ่ได้ประการแรกครับเราจะต้องมีการมองการไกลและวางแผนมดเป็นประชากรที่ไม่แข็งแรงแต่มันยังเตรียมอาหารของมันไว้ในฤดูแรงเราจะพบว่า การมองการไกลนั้นเป็นปัจจัยสําคัญที่จะประสบความสำเร็จและทำการที่ยิ่งใหญ่เป็นการแสดงออกถึงความมีสติปัญญาความสามารถของคนการที่เราจะประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องเป็นแบบมดครับแม้ว่ามดจะเป็นประชากรที่ไม่แข็งแรงแต่มันมองการไกลและทำให้เผ่าพันธุ์ของมันอยู่รอดได้เพราะมันวางแผนครับมันเตรียม มันเตรียมอาหารของมันไว้ในฤดูแล้งมันเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตและมันก็สามารถที่จะหลบหลีกได้และสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นคือมดเพราะฉะนั้นคุณสมบัติประการแรกของผู้ที่จะประสบความสำเร็จโดยการมีสติปัญญาและขาดความถ่อมใจมดนั้นแม้ว่ามันจะมีกำลังน้อยครับแต่มันก็สามารถอยู่รอดได้เพราะการมองการไกลของมันสิ่งมีชีวิตประเภทที่สอง ที่เป็นโมเดลหรือเราถอดบทเรียนจากมันได้ก็คือตัวกระจงผาตัวกระจงผานั้นเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในซอกหินเรียกว่า rock badger เป็นสัตว์สี่เท้าครับและเป็นสัตว์ตัวเล็กๆ เ, เป็นสัตว์ที่ไม่มีกําลังในพระคัมภีร์พูดว่าอย่างนั้นเป็นสัตว์ที่อ่อนแอดูเหมือนว่ามันอาจจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์ที่ ลำบากยากเข็นเหมือนในซอกหินพี่น้องครับมีสัตว์ไม่กี่ประเภทนะครับที่มันมีชีวิตอยู่ได้ในซอกหินที่บางครั้งอาจจะไม่มีอะไรที่คุ้มกลาหัวมันพี่น้องครับในสถานการณ์ที่น่าอันตรายในสถานการณ์ที่อยู่ในความลําบากดูเหมือนตัวกระจงผานั้นจะเป็นประชากรที่ไม่มีกําลังแต่พระเงินพีบอกว่ามันยังสร้างบ้านของมันในซอกหินได้ คำว่าบ้านของมันนั้นก็มีความหมายว่าเป็นที่ที่หลบภัยเป็นที่ที่จะคุ้มกันลาหัวของมันและเป็นที่ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า sanctuary น่าแปลกนะครับตัวกระจงผานั้นเป็นสัตว์สี่เท้าที่มีขนาดเท่ากับกระต่ายมันป้องกันตัวเองไม่ได้แต่มันฉลาดพอที่จะอาศัยอยู่ในซอกหินเพียงครับคุณสมบัติประการที่สองก็คือเราจะต้อง ฉเฉลียวฉลาดคนนี้ผลประการแรกก็คือเราต้องมองการไกลคนผลประการที่2ก็คือว่าตัวกระจงผ่านั้นมันฉลาดครับมันสามารถที่จะเอาซอกหินเป็นบ้านของมันได้มันสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้วิกฤตของมันคืออะไรครับวิกฤตของมันคือซอกหินที่ยากที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้สําหรับสัตว์ต่างๆนั้นไม่ค่อยมีสัตว์ประเภทไหนครับที่สามารถอยู่ในซอกหินได้อาจจะมี ก็คือพวกนกอินทรีนกอินทรีนั้นมันสามารถบินไปหาอาหารได้แต่ตัวกระจงผานั้นมันไม่สามารถบินไปหาอาหารได้มันอยู่ภายใต้ความกดดันและสถานการณ์ที่ยากลาบากและมันเองนั้นก็จะกลายเป็นอาหารของนกอินทรีด้วยซ้าพี่น้องครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงให้มันมี ควาฉลาดพอที่นกอินทรีจะไม่สามารถกินมันได้หรือไม่สามารถล่ามันให้เป็นเหยื่อได้ก็คือมันหลบในซอกหินพี่น้องเราจะเห็นนะครับว่าซอกหินนั้นเป็นที่หลบภยัยเป็นแซงชัวรี่ของตัวกระจงผาพี่น้องครับชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับหากว่าเรามีพระเจ้าเป็นที่รีพัยและเป็นกําลังของเราทั้งหลาย และเราจะมีสติปัญญามีความฉเฉลีวฉลาดเราจะสามารถอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายในโลกที่เต็มไปด้วยความบิดเบือนในโลกที่เต็มไปด้วยการโกหกหลอกลวงในโลกที่เป็นสถานการณ์หรือเป็นสิ่งแวดลอ้อมที่เป็นอันตรายต่อเราและลูกหลานของเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าได้ทรงสอนให้เราให้มีสติปัญญาให้มีความฉเฉลีวฉลาดประเภทที่3ครับก็คือตกกะกั่วเตน ในพระมุทีบอกว่าตะกะแตนนั้นไม่มีราชาแต่มันยังเดินขบวนเป็นแถวได้นั่นหมายความว่าชีวิตของตะกแตนนั้นเราสามารถถอดบทเรียนก็คือความเป็นองค์กรหรือ organization ความสามัคคีที่พวกมันนั้นไม่มีคนนำแต่มันสามารถเดินขบวนเป็นแถวได้นั่นแสดงว่า มันถูกใส่เข้ามาเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ประเภทนี้คือแม้ว่าจะไม่มีผู้นำแต่การมีวิญญาณแห่งการจัดองค์กรวิญญาณแห่งความสามคัคคีวิญญาณแห่งการทำอะไรก็ตามเป็นทีมเป็นหมู่เป็นเหล่ามันทํางานและมันมีชีวิตอยู่ดํารงชีพอยู่เหมือนกับเป็นตัวคนเดียวหรือ กายเดียวกันและมันทํางานด้วยกันครับนั่นคือการจัดองค์กรคําว่า organization นั้นมาจากคาว่า organ organ แปลว่าอะไรครับแปลว่าอวัยวะนั่นหมายความว่าเมื่อเราคิดถึงคําว่า organization เราคิดถึงร่างกายของพระเยซูหรือพระวรากายของพระองค์พระเยซูนั้นทรงเป็นศรีรษะของคริศจักรเหมือนกับเป็นศรีรษะของร่างกายนี้แล้วอาจจะเป็น มือเป็นเท้าเป็นแขนเป็นขาเป็นอวัยวะต่างๆที่เราจะไม่สามารถปฏิเสธกันและกันได้เท้าก็ไม่อาจจะพูดว่าข้าไม่ต้องการเจ้าหรือมือก็ไม่อาจพูดว่าพูดกับเท้าว่าข้าไม่ต้องการเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยกันครับเพราะฉะนั้นตะกะ่แ ต, แตน เป็นตัวอย่างของการจัดองค์กรเป็นตัวอย่างของความสามคัคคีแม้ว่าจะไม่มีผู้นํานั่นคือข้างในมันมีสปิริตของความสามคัคคีมีสปิริตของการจัดองค์กรมีสปิริตของการให้ความร่วมมือมีสปิริตของการทําอะไรที่พร้อมๆกันเป็นไปในแนวเดียวกันพี่น้องครับใครที่เคยมีไร่มีนาแล้วตะกั่นลงครับ เราจะเห็นว่าตะกงแตนนั้นมันสามารถที่จะจู่โจมเหมือนกองทัพและสามารถทำลายพืชผลมากมายได้แสดงถึงความมีระเบียบเรียบร้อยการจัดหมวดจัดหมู่ของมันแม้ว่าจะไม่มีผู้นำเราเห็นนะครับว่าความจํากัดทางกายภาพอาจทดแทนได้ด้วยทางอื่น และขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าทรงปกป้องและจัดเตรียมสําหรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างที่ต่ําต้อยที่เล็กน้อยพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสําหรับประชากรของโพรงอย่างแน่นอนพี่น้องครับความคิดจากมแมลงสองชนิดและสัตว์สองชนิดนี้ทำให้เราเห็นถึงพระสติปัญญาและพลังฤทธเดชของพระเจ้าสัตว์ชนิดสุดท้ายในเช้าวันนี้ก็คือตุกกต๊กแกตุ๊กแกนั้น เป็นสัตว์ที่เล็กๆเราสามารถจับมันได้แต่มันยังหาที่อยู่ของมันในพระราชวังตุ๊กแกนั้นเป็นสัตว์ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า resourceful resourceful resourceful นั้นมีความหมายว่ามันเจ้าปัญญามันหลักแหลมมันมีความคิดสร้างสรรค์มันสามารถที่จะหาที่ที่มันสามารถอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด สถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดมีความหมายว่าอยู่ในวังครับอยู่ในวังนั้นเป็นวังของพระราชาเป็นวังที่มีการป้องกันภัยมีการที่ตื่นตัวมีการเรียกว่ารักษาความปลอดภัยมากที่สุดพระราชวังนั้นเป็นที่ที่เข้าได้ยากมากแต่ด้วยความสามารถของมันความหลักแหลมของมันทําให้มันอยู่บนหัวของพระราชาได้ทีเดียว สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วไม่มีใครสามารถเข้าได้แต่มันเข้าได้ครับพี่น้องครับเรามาถึงบทสรุปในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะเห็นสัตว์สองประเภทสัตว์ประเภทแรกก็คือตัวกระจงผาและตุ๊กแกและก็มแมลง2ประเภทก็คือมดและตั๊กแตนพี่น้องครับสัตว์สองประเภทนี้เป็นครูของเราได้ เป็นครูของเราในเรื่องของความตัวเล็กๆของมันก็คือความเล็กน้อยของมันเราจะต้องถ่อมใจเป็นผู้เล็กน้อยประการที่2ก็คือว่าเราจะต้องมีสติปัญญาต้องอาศัยความคิดต้องอาศัยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเราจะสามารถประสบความสำเร็จได้และประการที่3าเราก็รู้ว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่พระองค์สามารถมีฤทธเดชฤทธานุภาพของพระเจ้า ที่สร้างเราและพระเจ้าทรงปกป้องเราและพระองค์จะทรงจัดเตรียมที่พำนักให้กับเราพระองค์ทรงสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่ต่ำต้อยและเล็กน้อยพระองค์ทรงจัดเตรียมประชากรของพระองค์และพระองค์จะทรงมารับเราไปอยู่กับพระองค์อย่างแน่นอนความจํากัดทางกายภาพของเราสามารถทดแทนได้ด้วยสิ่งอย่างต่างๆอย่างอื่นก็คือ การมีความสามคัคคีการมีสติปัญญาความเฉลียวฉลาดการที่เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกแห่งความชั่วร้ายได้โดยการที่เราในพึ่งพาในภรสิปัญญาของพระเจ้าเราจะต้องมีการจัดระบบองค์กรบริหารที่ดีเราจะต้องใช้ทรัพยากรทุกชนิดของเราเพื่อให้ไปสู่ความสาเร็จได้นี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของสัตว์ทั้งสี่ชนิดในชาวนี้ ขอพระเจ้าวยพระพรให้พี่น้องทุกท่านและรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยที่จะรับเอาบทเรียนนี้เพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจำวันของเราต่อไปอาเมน